เวลาเรามาปฏิบัติทานี้ก็จะเป็นเหมือนฝึกนะฝึกก็จะเป็นระเบียบไปเป็นระเบียบ ม, มาเป็นระเบียบเหมือนฝึกบัวฝึกนะนะควายเนี่ยแหละจิตมันจะมักง่ายอะไรที่มันง่ายๆมักง่ายคือมักตามใจตัวเองแต่มานี่เราก็จะมาดัดกันเออทำแบบนั้นทำแบบนี้คนไหนทำตามระเบียบวินัยอะไรได้แบบสบายสบายไม่เป็นทุกข์กับมันเนี่นยแสดงว่าคนนั้นไม่มีตัวตน เพราะว่าตัวตนคือขัดแย้งตลอดเวลาใจถ้าฝึกได้ก็ไม่ขัดแย้งอะไรเลยยังไงก็ได้ให้กินน้อยก็ได้กินมากก็ได้ให้ไปทาไหนก็ไปกลับทาไหนก็กลับชีวิตยอยู่แบบนั้นนี่มันจิงไม่เป็นทุกข์เน่ยแต่คนในเหตุผลเยอะคนนั้นจะทุกข์มากใน ในแง่ของสัจธรรมเนี่ยมองเหตุผลก็คือสมมุติเฉยมันช่วยเราเป็นทุกข์ไม่น่าสมมุติเนี่ยยิ่งทุกข์เพิ่มยึดมากก็ทุกข์มากอาหลวงตาถามหน่อยแดดเนี่ยแดดที่มันออกมาเนี่ยเป็นสมมุติหรือเป็นสัจจะอ๋อร้อนเนี่ยถ้าเป็นสมมุติทำไมมันออกมาทุกวัน หรือเป็นความจริงแดดนี่เป็นความจริงหรือเป็นสมมุติเป็นสัจจะหรอเอาของพระพุทธเจ้าทุกสมุทยนี้รลดมากทำไมไม่มีแดดด้วยเอาเถอะีเอาคิดเล่นๆอยนะคือคนตอบว่าสัจจะก็เป็นมุมมองของ ของเขานะคือเขารู้แบบนั้นคนมองว่าเป็นสัจจะก็เป็นสัจจะของคนมองแบบนั้นมันแล้วแต่จิตว่ามันโตขนาดไหนแต่คาว่าผิดเนี่ยมันจะไม่มีมันไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกเพียงแต่ว่าเรายืนมุมไหนพูดเท่นนีโอ้ <c oughs> ช้างนี่เหมือนเสาบ้านนะเนี่ยก็คือมุมขามันเน่ยโอ้ยช้างเหมือนไม่กวาดแสดงว่าอยู่มุมหางมัน มันไม่เห็นตัวมันจริงๆนะชาน้างเหมือนฝาเรือนก็แสดงว่าอยู่แถวๆสีข้างมันนะถามว่าถูกไหมเขาก็ถูกหมดทุกคนเนะี่ยเพียงแต่ว่าเขาอยู่มุมใดมุมหนึ่งชีวิตก็เหมือนกันนะ่ะการมองสัจธรรมเนี่ยถ้ามันอยู่มุมใดมุมหนึ่งมันจะไม่เห็นทั้งทั้งตัวของสัจธรมันเห็นอนัตตาเป็นเพียงบางจุดเห็นอ น, นิจจังเพียงบางอัน แต่มันไม่เกิดการรู้แจ้งสัจจะจริงๆเพร้เราจึงปฏิบัติธรรมในเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มันมีตัวตนสลายความคิดสมมติทั้งหลายทั้งปวงที่มันมองแบบเป็นตัวเป็นตนเนี่ยตัดมันออกให้มันอยู่กับภาษาพระเขาเรียกยังไงวะทำให้มันเป็นสมาธิลองดูดิทำใหม่เป็นสมาธิดู ได้กินบุหรีท่ทางไหนมาบอกหน่อยนะใครอยู่ทางไหนเนี่ยพระสามรูปยังเลิกไม่ได้อยู่นี่ยหลวงตายังจะพาเลิกกินข้าวอยู่เนี่ยนัภาษาอะไรเรื่องบุหรี่เนี่ยเห็นไหมเรามาอยู่นี่เราเคยกินสา ม, มื้อมากินสอง ม, มือ้อเคยกินสอง ม, มือ้อเคยกินมื้อเดียวเนี่ยจะพาเลิกไปย่านั้นน่ะอันนี้กิเลสตื้อนๆแก่ไม่เป็น ยังอยากปฏิบัติธรรมทีนี้เป็นเรื่องหน้าขำมากนะนั่นเดี๋ยวนี้คนปฏิบัติธรรมหรือสานักปฏิบัติธรรมถึงโกหกกันไปเรื่อยๆ เ, เ, นะเหมือนแก้กิเลส ต, ตัวเองได้แต่ทีจริงไม่ได้แ ม, ม้แต่กิเลส ต, ตื้นๆ น, นะเขี้ยวมาสู่บริยในะประมาณเนี่ยมันตื้นๆโลกเขาก็รู้กันอยู่ว่ามันเป็นกิเลสนะมันเป็นสิ่งเสพติดไม่ถึงกับต้องมีสติเยอะๆอันเนี้ย คือมีโยนิสโสมนสิการหน่อยพี่จะให้ดีหน่อยก็เข้าใจก็เลิกได้เลยนะมันไม่มีอะไรที่มันสลับซับซ้อนนะไม่จำเป็นต้องฝึกกำลังใจมากมายอะไรนะตัดสินใจเลิกมันก็เลิก น, นั่นเองมันไม่เป็นนะว่าจะไปปฏิบัติทำเพื่อเลิกกันนั้นเลิกกันนี้นี่ นั้นบางทีปฏิบัติทําไอ้กิเลสตื้นเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องรู้หลบรู้นาำไม่ต้องรู้อะไรเลยปฏิบัติธรรมเลิกได้เลยเพราะมันมันไม่ได้อยู่เนื่องไงไขของอนิจจังของอนัตตาไม่ได้เกี่ยวกับใจรักเลยมันเป็นกิเลสตื้นๆอันเนี้ย้าแป้งแต่งตัวพวกเนี้ยติดเครื่องสําอางพวกเนี้ยเลิกได้แบบไม่ง่ายคือหลายๆคนเขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมเขาก็เลิกได้เขาก็มีความเข้าใจอันเนี้ยเพราะว่ามันคือ ปฏิบัติธรรมเนี่ยการรู้แจ้งสัจธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของภาวะภายในที่มันลึกกว่านี้มันไม่ใช่ไอเรื่องพวกนี้เรื่องพวกนี้นี่คนไม่ปฏิบัติธรรมเขาก็รักเขาว่าโอ้ยจะไปปฏิบัติธรรมเลยไปแล้วก็แค่นั้นแหละฉันไม่ปฏิบัติธรรมยังเลิกได้ดีกว่าเธอฉันไม่สูบบุหรี่ฉันไม่กินเหล้าเนี่ยพรจริงๆเนี่ยอันนี้มันจิตสํานึกสามัญสํานึกเบื้องต้นตืนต้นๆเฉยๆยยมันถ้าเรามาปฏิบัติธรรมแล้วยังเป็นอย่างนั้นอยู่เนี่ยแสดงว่าโอ้ยหนักมากอเนี่ย ลึกมากตื้นนะปัญญามันลึกกว่าจะดึงองกมาได้เนี่ยคือสิ่งที่มันเป็นทุกข์แบบโลกโลกเนี่ยเรามองไม่เห็นบนะทีแต่ยิงมันตื้นจะตายไปอันนี้เราจะมาถอนในตัวหง่วงตัวเงาตัวฟุง้งสา่านตัวอะไรประมาณนั้นซึ่งยิ่งลึกกว่านั้น แต่ใหม่ๆก็คนคนั้งหลายทั้งพวงก็คือมันออกมาจากที่ไม่เหมือนกันบางคนออกจากบ้านบางคนออกจากสถานีรถบางทีออกจากสำนักงานออก่างอะไรนั้นจิตคนก็เหมือนกันบางคนนีมันติดบุหรี่มามันก็ออกจากบุหรี่บางคนติดเล่ามาออกจากเล่าบางคนอะไรติดราคติดโทระติดมุนยินติดเครื่องสําอางติดง่วงติดเงาหน่คือจะฝึกอันนั้นน่ะเดี๋ยวนี้เราจะมาฝึกหัดอันนั้นจะมาออกก่น นั้นแต่ละคนนี่จิตมันหลงไปอยู่เนี่ย altung, ม staff, ันมุมที่มันอยู่เนี่ยมันไม่เท่ากันเนี่ยบางคนโกรธจัดจะมาออกจากโกรธเนี่ยแต่บุรีเขาไม่มีบางอื่นเขาไม่มีเนี่ยคือแต่ละคนมันออกมาจากที่นี่มันไม่เหมือนกันคือออกจากบ้านจากเรือนจากอะไรเนี่ยออกม่เหมือนกันบางคนคือจิตมันไปอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าพบชาติภาษาพระน่ะพบชาติแล้วแต่ว่าคุณจะอยู่พบไหนชาติไหนอยู่พบไหนอ่ะ ไม่ออกไมันก็เวียนไหวอยู่ในอารมณ์เดิมๆอย่างั้นแหละวันหนึ่งก็เวียนไปคิดอย่างเดิมไปเสพอย่างเดิมอยู่นี่นนออกไม่ได้การมาท่านี้ก็คือพยายามดึงจิตตัวเองออกจากภพจากชาตินั้นอย่าให้มันมีอย่าให้มันติดภพติดชาติภพชาติก็คือสิ่งที่จิตมันไปหาบ่อยๆนั่นแหละมันคิดขึ้นมาบ่อยๆนั้นนั้นอาศัยกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยที่อยู่ปัจจุบันมากขึ้นมากขึ้นมันจะเกิดวิปัสสนาญาณทำลายภพชาติอันนั้นแล้จิตมันก็จะอิสระ